ข่้นตอนฟังที่ครบค่ะ้วเราก็มาถึงช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งนะคะนั่นก็คือเปวทธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะต่อไปนี้จากพระพิบูร์อภิปุรนโอเช่นกันซึ่งเราก็ได้พบท่านในตอนต้นรายการไปแล้วนะคะมหัส ก, การกครั้งกัทตังค่ะเจริญพรประสูต์ที่ได้พูดไปค่ะเมื่อกี้นี้น ะ, ะนี่นสำคัญมากเลยนะคุณโยมติว๋วคือในไหนว่าจะกลับเรียนถามท่านพอดีอค่ะคือที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ แล้วบางอย่างเนี่ ย, ยคุณเลื่อนตําแหน่งใหม่ย้ายตําแหน่งใหม่คนนั้นไปทํางานที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงแรงต่างเนี่ยมันวุ่นวา ย, ป ย, ป ย, ปยไปหมดในโดยช่วงยิ่งปีงบประมาณใหม่อะไรต่างๆมันมันวุ่นไวายไปหมดนะนะมันอย่างถ้าเป็นทางาบริษัทภาคเอกชนเนี่ยพ อ, พอปลายปีแล้วโอ้โหมันจะวุ่นวายต้นปีนี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายอีหลงชงชางนี่เกิดขึ้นพระนพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้เนี่ยจำที่เรา ที่ได้อันนี้ฟังเมื่อตอนแรกเนี่ยก็คือว่าต่อให้คุณจะอยู่ในที่ที่มีคนมากมายมหาศาลนะเกลนกลืนไปด้วยคนนั่นถามคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็ยังสงบอยู่ได้ใจของเราแตนะ่ถ้าเราฝึกดีแล้วอย่างกูยมติวไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะโอ้โห ค, คนแลมเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอ๊ะถ้าเราคือบางบางทีเราไปอยู่ในต่างประเทศที่เราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาทาอะไรกันเราก็แบบมึนๆไปอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าจิตใจเราสบายอยู่ ไม่ได้ไหลไปตามสิ่งอะไรต่างๆที่เขาคือ้ากันเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เราสมรวม้มรรคสีสารู้รมรรสีอย่า ง, งนะี้นะค่ะที่กำลังจะกลับเรียนถามท่านว่าเมอกาสไปเดินดูร้านเขาขายไอโฟน5ค่ะที่กำลังเป็นที่ต้องการกันเหลือเกินโอ้ลูกค้านี่นั่นขนาดไปหมดแล้วนะคะ ออืแล้วก็ร้านขายเขานี่ใหญ่เหมือนพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟตรงทางเข้าเนี่ยอยู่ใจกลางของนิวยอร์กแล้วก็มีอาการเหมือนที่ท่านพูดนะคะมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายใครเขาอันนี้มันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ยอืมคืเป็นลักษณะนี้แหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นรูปได้ตาเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ฟังเสียงด้วยรู้สึกสัมผัส ข, ของทางกายด้วยเสียงครึกโครมแรงต่างๆนะแต่ว่าเราไม่มีความเพลินในสิ่งนั้น เพราะเราเป็นที่ใหม่ๆเราไม่ได้เพลินไม่ได้อะไรทีนี้พอเราไม่มีความเพลินในสิ่งสิ่งนั้นนะที่เราเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเนี่ยนะความพอใจเราจึงไม่ได้มีมันก็เลยไม่มีการที่อผูกจิตติดอารมณ์ด้วยความนาของความเพลินก็เราไม่ได้เพลินไปสิ่งนั้นนะเราก็จึงไม่มีปัญหาอะไรกับเขาค่ะอืมทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องให้เข้าใจโดยละเอียดมากยิ่งขึ้นเนื่อว่าท่านบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ไหมคะ แลายท่านก็ได้พูดถึงคำสำคัญสำคัญย่ตัวอย่างเช่นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญานี่ก็อย่างหนึ่งละ่ะใช่ใชเรื่องของอสาราคะท่านบอกว่าเป็นความพอใจอย่างยิ่งนนสัญญคะจิตผูกติดกับอารมณ์มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงสัยคงจะต้องให้ท่านได้ใช้เวลาที่เรามีอยู่ อีกสิกวนาทีนี่ น, นะคะช่วยกรุณาทําให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้นําไปใช้ได้เลยค่ ะ, ะความเพลินเนี่ยคือหมายถึงอาการที่เราเราคิดไปตามสิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคือบางทีเราดูหนังอย่างเงี้ยเราก็เพลินไปกับหนังฟังเพลงก็เพลินไปกับเพลงโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าเรารู้อยู่ น, นี่คือลักษณะของความเพลิ น, นความเพลินอย่างเช่นว่าเราเลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เ, เดินไปตามสวนสาธารณะอะไรต่างเราก็เพลินไปชมนกชมไม้ไปไอันนี้ก็มีนันทินะ <Okay. S 1> uh, แล้ว <ules> ความที่มีนันทิกับความไม่มีนันทิเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าเรามีสติถ้าเรามีสตินั้นนนันทิก็ดับไปเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินไปตามสวนนกสวนไม้ชมนกชมไม้เรามีสติอยู่ก็ถือว่ามไม่เพลินนะเราทํางานเราดูหนังฟังเพลงแต่ถ้าเรามีสติอยู่แต่นี่อันตรายนะเพราะมันมาตางกาบใช่ไหมเราก็ไม่เพลินอยู่ ไหเรานั่งสมาธิอยู่ไหเราไม่เพลินไปในความสุขที่เกิดจากสมาธิคือโดยเรามีสติอยู่มีสุขเวทนาเกิดขึ้นไหนะมีการปีติเกิดขึ้นเราก็ไม่เพลินไปนี่คือชื่อว่าไม่เพลินมีสติอยู่นะคำต่อไปที่ต้องอธิบายก็คือความพอใจอย่างยิ่งความพอใจอย่างยิ่งเนี่ยคือเวลาจิตมันเข้าไปจับไปรู้อารมณ์ใดสักอารมณ์หนึ่งเนี่ยนะคุณยมติว๋วโดยที่เราไม่มีสตินี่คือมันจะเพลินไปลนะไหนมันจะมีการก้าวลงมีการเกิดขึ้นมีการ จักนำไปในทางนั้นนะเพอมันมีการเคลื่อนไปเนี่ยนะคือมีการสมมุติว่าเราเราจะลื่นล้มอย่างนี้นะรเราเอาเท้าไปแตะพื้นปุ๊บมันลื่นละลื่นปุ๊บแล้วมันไหลไปตามเนี่ยอาการที่ไหลไปตามเนี่ยคือการที่มีความผูกจิตติการม์มีความพอใจเกิดขึ้นค่ะนะคือตอนที่เราเริ่มจะถลายนะั่นคือมีคุณเพลยมไปละคุณก้าวลงไปละโดยที่เราไม่มีสติแต่ถเรามีสติปุ๊เราหยุดกึกได้เลยอย่างเงี้นะค่ะอืม เพราะนั้นพอเวลาที่เราเริ่มนึกสมมุติว่าเราเพลินในหนังเพลินในเพลงเสียงที่มากระทบทางหูเพลินไปแล้วเนี่ยพอเราเพลินปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเกาะทันทีนะเกาะแล้วพอเราเพลินไปวินาทีที่สองเราก็ยังเพลิอนอยู่อันนั้นคือลักษณะของความพอใจอย่างยิ่งการผูกจิตติการมมาด้วยกันเลยคือมันถลายไปแล้วนะถลายไปแล้ว คุณผ่านไป2นาที3ไม่ินาจน10บนาทีคุณยังไม่รู้ตัวเลยว่าเรานั่งคิดฟุ้งซ่านอยู่เมือรอยอยู่อย่างเงี้ยฝันกลางวันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราไปเห็นคนนั้นเขาวุ่นวายอะไรต่างเนี่ยบางทีเราไม่ได้เพลินในสิ่งนั้นแต่เราอาจจะเพลินในสิ่งอื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะค่ะคือเราไม่ได้เพลินในสิ่งนั้นแต่เราอาจจะเพลินในความปีติสุขที่เกิดอยู่ในใจหรือว่าเพลินในความตื่นตาตื่นใจที่เราเห็นอย่างนี้ก็เป็นได้ นะทีนี้ถ้าคนมีฝึกสติอยู่อย่า ง, างตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่เพลินไปทั้งข้างในไม่เพลินไปทั้งข้างนอกนะแต่ว่าเราก็ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในแต่มีสติอยู่ตลอดคือมีสติอยู่ในกายอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าสบายใจอยู่นะก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคือเพราะว่าถ้าเราเพลินไปแล้วเนี่ยเราตื่นตาตื่นใจเราเพลินไปกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่เนี่ยให้เรานึกได้เมื่อไหร่เรารีบดึงกลับมาอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าคุณหยุดกระแสของความเพลิน่ะ ถ้าเปรบเทียบกับตัวอย่างที่เรามายกถึงว่าเอาเท้าเหยียบบนพื้นแล้วมันลื่นถลายไปเนี่ยพอลื่นถลายไปสักนิดหนึ่งสิเซน20ิเซนปุ๊บเราชกคากลับหยุดได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคุณมีสเตปปุ๊บรีบดึงจิตกลับมาอยู่ในกายะนะอันนี้จะทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงถ้าล้มก็เจ็บไม่มากอย่างเงี้ยกระปิดตั้งตัวขึ้นมาได้ทันค่ะทีนี้อาการอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน นะอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนแตนะ่ถ้าเรามีจิตอย่างนี้เราสบายใจได้จิตเราไปชื่อว่ารักษาล ะ, นะะจิตเราไปชื่อดีละอย่างเงี้ยจิตที่เป็นแบบนีนะ้เวลาที่เรามีอาการาการงานเกิดขึ้นเวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาที่เราต้องคิดอ่านการงานมีการคิดความคิดปรุงแต่งมีการคิดแก้ไขปัญหาเนี่ยจิตเนี้ยจะมีกําลัง เนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไม่ถูกชุดลากถูลูถูกลางดึงไปตามสิ่งที่มากระทบนะพอจิตของเราไม่ถูกลากถูลูถูกลางดึงไปตามสิ่งที่มากระทบแล้วจิตนั้นนะมั่นคงนะจิตนั้นเป็นจิตที่มีกำลังนะจิตที่มั่นคงมีกำลังเนี่ยสามารถมีอะไรมากระทบเรานิ่งยอยได้เราสามารถคิดอ่านแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์คิดมีความคิดใหม่ๆ ม, มีความแก้ไขปัญหามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตเมตตา มีความอเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสามพิธีอยู่ในนี้หมดดีมากเลยนะพระท่ากับว่าเป็นลักษณะของเป็นเรื่องของการรู้จักการการวางจิตใช้คําที่ดังค่ะใช่คนที่จะวางจิตได้ต้องทำยังไงฮะสติเนี่ยจะเป็นช่วยตัวที่ช่วยให้เราวางจิตของเราไปได้แล้วเราจะต้องทําอะไรมากกว่านี้ไหมคะท้าจะหวังให้มันแหมยิ่งยวด อ่าเป็นคนที่สัมรวมอินทรีย์ได้มากเป็นพิเศษมีเทคนิคอย่างอื่นไหมคะเ อ, อ่อมีตรงที่เรื่องของกําลังแตนะคือต <c oughs> ีที่คุณยมติว่าเราสามารถจับจิตวางได้อย่างเงี้ยถูกต้องคือเราต้องมีสติทีนี้สติคุณมีกําลังไห้เนะคือบาง <c oughs> สถานการณ์เราไม่เพลินไปได้บางสถานการณ์เราพอรวบรวมจิตได้แต่ในบางสถานการณ์เรากลับทําไม่ได้นะสถานการณ์ง่ายๆบางทีเราทําไม่ได้สถานการณ์ที่ไม่น่าทำได้บางทีเราทําได้เพราะนั้นเราจึงต้องฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีกําลัง จะฝึกจิตให้มีกําลังทํำยังไงนะก็คือทําสมถะทําสมาธิบ่อยๆนะเร า, ามี2 อ, อย่างคือทําให้บ่อยนะคือฝึกสมาธิให้บ่อยแล้วก็ทำมาอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยจะช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังขึ้นมาได้นะถ้าเปรียบเทียบกับการออกกําลังกายก็เหมือนกันคือบางคนเนี่ยสู้คุณออกกําลังกายไม่ต้องมากแต่ทําทุกวันทําบ่อยๆนะมันจะดีกว่าอาทิตย์หนึ่งคุณทําครั้งเดียวแต่ทำหนัก ทำหนักครั้งเดียวเนี่ยยิ่งจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโดยซ้ํำกับเนื้อฉีกอาการตึงปวดเมื่อมันจะมากนะสู้เราทำไม่ต้องมากทำหน่อยๆทำนิดนหน่อยๆแต่ว่าทำทุกวันเช้าเย็นเราทำการออกกําลังกายของเราก็จะไม่ห้กร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นไปไหนไม่กันจิตของเราถ้าเราไม่เคยฝึกนั่งมายาวๆเนี่ยจะไปนั่งทีเดียว2ชั่วโมง3ชั่วโมงโอ้โหแข้งขาหลังเอวไหล่นี่ไปหมด ในขณะที่เอาเระหวสิบนาทีสินาทีทุกวันเช้าเย็นนะเราจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังขึ้นมาได้ในกำลังตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยจับจิตของเราวางไว้ตําแหน่งที่เราต้องการได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่านั้นมันจะยากจะง่ายยังไงก็ตามเนาะค่ะมันก็คล้ายๆเรื่องอื่นจะว่ากันไปนะคะที่ว่าถ้ามีการฝึกฝนบ่อยๆจะเกิดความชํานาญ<ช>และก็จะทํางานนั้นได้ทันที อย่างมีประสิทธิภาพธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยคุณยงติ๋วเหมาะสําหรับคนที่ทําความเพี่ยนไม่เหมาะสําหรับคนที่เกียดครานค่ะเพราะฉะนั้นคนเกลียดครานก็ต้องอปรับปรุงตัวให้เรามีความเพียรคือหมายความว่าบางทีเราก็ขี้เกียจบ้างนะก็ธรรมดานะคืออย่างน้อยอย่ากให้มีความเพียนเราอย่างทําอย่างย่อหย่อนนะถ้าเวล า, เาทำความเพียนเราก็ทําจริงจังจังใช่ไหมเวลาที่เราพักเราก็ให้มีเวลาพักบ้างเนี่ย ก็สลับกันไปก็จะทำให้เราดีขึ้นมาได้ค่ะก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรใช่สม่าเสมอด้วยนะพรเช้ า, ชาเน้นนะความพอใจความเพียรของเราเนี่ยต้องมีอย่างสม่าเสมอเข้มงวดอย่างสม่าเสมอความเพียรแล้วก็สม่าเสมออืมั้าฟังฟังแล้วก็คงคิดว่ามันก็ไม่เห็นแตกต่างกับเรื่องของการทางาน หรือเรื่องของการเรียนหนังสืออืมแล้วว่าหลักการคล้ายๆกันโอ้แน่นอนสิคุณโยมถือว่าถ้ามันต่างกันจนกระทั่งเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นี่นะอันนั้นไม่ใช่ธรรมะ ข, ของพระเจ้าแล้วธรรมะ ข, ของพระเจ้าเนี่ยคือเหมือนกับไลฟ์สไตล์คือคือเป็นการใช้ชีวิตของเรามักแปลคือทางนะมักแปลคือที่รักษาจิตนะมักแปลคือขนทางที่เราจะำดำเนินชีวิตของเรานะค่ะ เพราะนั้นถ้าถ้าเราดำเนินชีวิตของเราด้วยลักษณะที่อยู่ในมัคแปดนั่นแหละคือธรรมะของพระเจ้านะคะก็คือว่ามันเป็นหนทางในการดำเนินชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ในภาษาไทยจะพูดว่าให้ดีนะคะท่านเร <c oughs> <ๆ>ื่องนี้พูดกันจนเป็นอ่าเป็นวิถีชีวิต <c oughs> วิถีชีวิตดูเหมือนกับคนไทยพอใช้มากๆเข้ากลายเป็นคําทับศัพท์นะคะอยู่ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าเป็นชาวไทยก็จะใช้คําว่า วิถีชีวิตนี่จะเหมาะสมที่สุด<ช>ขอให้มีความเพียรแล้วก็ฝึกสติอยู่เสมอจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ชพอท่านพูดอย่างนี้เลี้ยงก็คิดว่าเดี๋ยวเราฝากเป็นความเพียรสําหรับผู้ที่เพิ่งตื่นมาวันแรกงงเลยนันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนไม่ต้องไปทํางานอีกต่อไปแล้วท่านที่เพิ่งเกษียณอายุราชการคะ่ะอก็เป็นโอกาสว่างแล้วขณ ะ, ะที่จะทําให้เราได้มีความเพียรที่มากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> คือแปลว่าตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจอันมาบิดนะคือ ค, คุณทำงานมาทั้งชีวิตแล้วอย่างเงยไปทำงานอะไรเหรอนะไม่ใช่อย่างนั้นะแต่ว่าความโอกาสว่างในที่นี้เนี่ยคือทําความเพี่ยนที่เราควรจะต้องทำพรนะพุทธเจ้าเคย<ช>พูดถึงการที่ไม่ประมาทในวัยทั้งสามใช่ไหมคือในวัยต้นเนี่ยเราขยันเรียนหนังสือคือชื่อเราไม่ประมาทละในวัยกลางอย่างเงี้ยเราขยันทํางานทำมาหากินปฏิบัติหน้าที่ราชการอดำรงตําแหน่งหรือว่าทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยคือชื่อว่าไม่ประมาทในวัยละ มีเคลื่อนดีไม่<ด> ไ, มไปเสพอวัยมุกนะถือว่า ด, ดีแล้วในขณะที่เรากําลังเข้าสู่วัยสุดท้ายเนี่ยประชีมวัยเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะไม่ประมาทอีกเหมือนกันนะก็เรามีโอกาสว่างแล้วเราไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องรีพอร์ตใครไม่ต้องไปประชุมนะไม่ต้องไปอะไรต่างๆ้วนะเรามีโอกาสที่จะไม่ประมาทในลักษณะหนึ่งนั่นก็คือการมาปฏิบัติธรรมะนะไปวัดบ้างใช่ไหมนั่งสมาธิภาวนาอา่านั่งขั้สมาธิไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ เียฟังธรรม ะ, ะบ่อยๆสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำให้จิตใจเราไม่ประมาทค่ะคือดิฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์เห็นเขายกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคมไทยท่านพารอิสระเสนานะะท่านเกษียณจากปูนซีเม น, <จ>นพอพเกษียณปุ๊บท่านก็เอาความรู้ความสามารถไปทำประโยชน์ให้กับสังคมท่านก็ทำเรื่องของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่น่าสนใจมาก สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ทางานเป็นมีภาวะผู้นำมี EQ มนะคะเป็นต้นอันนี้ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติทำได้อีกทางด้วยะะ<อ>การทา<ำ>เพราะว่าการที่มี EQ ก็ตามการที่มีรู้จักทำพัฒนาจิตให้มีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะผู้นำพวกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็ขอให้ท่านที่มาถึงวันที่ตื่นมาแล้ว ไม่ต้องเป็นเน็ดเหื่อยฟ่าฟันยิ่ช่วงเนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยบางคนบอกโอ้โหรถติดอยากจะให้มันปิดราชการนานๆเลยอะไรอย่างเนี้นะคะก็คิดซะว่าเราก็ปรับตัวกันไปแต่ส่วนท่านที่เกษียณอายุราชการดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสของท่านแล้วอย่างที่ท่านมบูนพูดคือเป็นโอกาสว่างชเราก็มาฝึกที่จะสํารวมอินทรีย์เพื่อท่านจะได้มีสติในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่พระศาสดาสอน คือบรรลุเมื่อจบทางของอมรดกแปดพระพบูลค่ะพะดีใกล้เวลาที่จะจบรายการแล้วยังขออนุญาตที่จะนมัส ก, การขอบพระคุณท่านในวันนี้ก่อนทั้งนี้ได้ไหมคะเต็มพานนะคะนมัส ก, การขอบพระคุณค่ะเตานทุกฝังที่เคารพคะและนั่นก็คือพระอาจารย์พบูลจากวัดป่าดอนไฮโซจังหวั ด, ดอุดรธา น, นีนะคะสําหรับวัดป่าดอนไฮโซช่วงนี้ก็ยังอยู่ในห่วงเวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษา หลังจากนั้นเหมือนทุกวัดเลยค่ะดิฉันเห็นป้ายรณรงค์ให้คนไทยทอดกระถินแล้วละ่ะที่นี่จะจัดกระถินวันที่11บเดเดือน11บดนะคะท่านใดสนใจก็เข้าไปที่เพีวธรรมะ .com/ 1 0 6ของท่านเพบูุก็ได้หรือว่าจะโทรศพทรมาที่0 2 2 6 9 0 0งเนะคะเพื่อที่จะสอบถามกับทางสถานีวิทยุก็ได้ส่วนทางวัดนาป่าพงที่มีพระอาจารย์คึกฤทิเป็นท่านเจ้าอาวาสเมื่อวาน บนสื่อที่ฉันมีโอกาสเข้าไปมานะคะก็เห็นว่าน้ำเนี่ยปริมปริ ม, มเต็มทีและจะล้นออกม า, าบนพื้นวัดในส่วนที่สูง แ, แต่ส่วนที่ต่ำเจิงไปบ้างแล้วเล็กน้อยที่นั่นจะมีกระถินวันที่4เดือนพฤศจิกา ย, ยนเช่นเดียวกันเพราะว่าอันนี้เป็นระเบียบพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล น, นะคะที่ว่าถ้าพระภิกษุจะได้ผ้าใหม่เอาไปใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้อง กุลิกุจอขนขวายนําไปถวายท่านและนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธท่านก็จะนำองค์ผ้าที่ได้ถ้าเป็นตามยุคสมัยนั้นนะคะไปตัดไปย้อมไปเย็บค่ะเราก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการสรนสนีสนทนานะคะวันนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธ ว, วัสตรีค่ะ